พระราชาไม่ทรงเชื่อฟังคำของพระนางอีกด้วยลำดับนั้นโอรสของพระจันทกุมารทรงนามว่าวสุละครั้นเห็นพระบิดาได้รับทุกข์คิดว่าเราจะเข้าไปทูลวิงวอนพระอัยกาให้ประทานชีวิตแก่บิดาของเราจึงหมอบลงแทบบาททมูลของพระราชาแล้วคร่ำครวญ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าพระวสุระราชนัดดากลิ้งไปกลิ้งมาเฉพาะพระพักพระราชากราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ยังเป็นเด็กไม่ถึงความเป็นหนุ่มขอพระองค์ทรงโปรดอย่าได้ค่าพระบิดาของข้าพระองค์เลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าข้าพระองค์ยังเป็นเด็ก ไม่ถึงความเป็นหนุ่มพระรัมหาอโยพนปั ต, ตาความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพวกข้าพระองค์ยังเป็นเด็กเล็กยังไม่ถึงความเป็นหนุ่มเลยขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพระบิดาของพวกข้าพระองค์ด้วยความเอ็นดูแม้ในพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระราชาทรงสลับเสียงคร่องครวญของพระวสุลละนั้นแล้ว มีพระหะทยัยประดุดจะแตกทำลายแล้วทรงสวมกอดพระราชนัดดามีพระเนรเต็มไปด้วยพระอสุชนตรัสว่าลานรักเจ้าจงได้คืนลมหายใจเถิดปู่จะปล่อยพ่อเจ้าแล้วก็ทรงกล่าวพระคาถาว่าวสุละนั่นพ่อเจ้าเจ้าจงไปพร้อมกับบิดา เจ้าพรำเภออยู่ในพระราชวังย่อมให้เกิดความทุกข์แก่ปูนะ่นับจงปล่อยพระราชกุ ม, มารทั้งหลายณบัดนี้เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในพระราชวังอันเตปุรัสมิงได้แก่ในภายในพระราชนิเวศกันดหาละพรามมากกล่าวอีกว่า ข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในการก่อนเทียวว่าการบูชายันนี้ทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้แสนยากบัด น, นี้พระองค์ทรงกระทายันที่ข้าพระองค์ตระเตรียมไว้แล้วให้กระจัดกระจายเพราะเหตุไรชนเหล่าใดบูชายันเองก็ดีและชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีอันหนึ่งชนเหล่าใดอนุโมทนามหายัน์เช่นนี้ ของบุคคลผู้บูชายันอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุขติฝ่ายพระราชาผู้มืดเขา่าก็ให้ราชบุรุษไปจับกลุมพระราชบุตรทั้งหลายมาอีกครั้งหนึ่งตามคำของกันดหาละพรามนั้นเพราะเหตุนั้นกันดหาละพรามจึงคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ใจอ่อนประเดียวให้ปล่อยประเดียวก็ให้จับพระราชบุตรทั้งหลาย พระองค์จะปล่อยพระราชบุตรทั้งหลายตามคำของทารกทั้งหลายอีกอย่ากระนั่นเลยเราจะพาพระองค์ไปสู่หลุมยันเสียเลยลำดับนั้นจึงกล่าวคาถาเพื่อจะให้พระองค์เสด็จไปในที่นั้นว่าข้าแต่พระเจ้าเอกราชข้าพระองค์ตระเตรียมยันแล้วด้วยแก้วทุกอย่างตกแต่งไว้แล้วเพื่อพระองค์ขอเดชะเชิญเสด็จออกเถิด พระองค์ทรงบูชายันแล้วสเสด็จสู่สวรรค์จากทรงบันเทิงพระหฤทยัยเนื้อความแห่งคําเป็นคาถานั้นว่าข้าแต่มหาราชยันข้าพระองค์ตระเตรียมตกแต่งแล้วด้วยแก้วทุกประการเพื่อพระองค์บัดนี้เป็นเวลาที่พระองค์จกสเสด็จไปเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงสเสด็จออกไปบูชายันแล้วไปสู่สวรรค์จรงบันเทิงพระหฤทยัย ครั้นในเวลาที่เขาพาพระโพธิสัตว์ไปยังหลุมเป็นที่บูชายันนางห้ามทั้งหลายของพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้ออกไปพร้อมกันพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าหญิงสาวเจ็ดร้อนางผู้เป็นชายาของจันทกุมารต่างสยายผมแล้วร้องไห้ดําเนินไปตามทางส่วนพวกหญิงอื่นๆ อ, ออกแล้วด้วยความเศร้าโศก เหมือนเทวดาในนันทนาวันตางก็สยายผมร้องไห้ไปตามทางบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าเหมือนเทวดาในนันทนาวันนันทเนวิยะเทวาความว่าเหมือนเทวดาทั้งหลายค้อมล้อมเทพบุตรผู้มีอันจุติเป็นธรรมดาในนันทนวันต่อแต่นั้นหญิงเหล่านั้นรำพันว่า พระจันทกมุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแขวนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุณทน 300, ไลทากฤษณาและจุนแก่นจันถูกราชบุรุษนำไปเพื่อบูชายันของพระเจ้าเอกราชพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแขวนกาสีอันขาวสะอาดประดับก <assadors favorite Cody words> ุนทนไลทากฤษณาและจุนแก่นจัน ถูกราชบุรุษนำไปทำความเศร้าพระหารุไยให้แก่พระชนนีพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุณทนไลทากฤษณะและจุนแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปทำความเศร้าใจให้แก่ประชุมชนพระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร สเสวยพระกระยาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อสนานสะสมพระกายดีแล้วประดับกุนทนไลทากฤษณาและจุนแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปเพื่อบูชา ย, ยันของพระเจ้าเอกราชพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารเสวยพระกระยาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อสนานสะสมพระกายดีแล้วประดับกุนทน ไลทากฤษนาและจุนแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปทำความเศร้าพระหารุทยให้แก่พระชนนีพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารเสวยพระกายาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อสนานสะสมพระกายดีแล้วประดับกุนทนไลทากฤษนาและจุนแก่นจันทร์ถูกราชบุรุษนำไปทำความเศร้าใจให้แก่ประชุมชน ในการก่อนพวกคนช้างย่อมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารผู้เสด็จขึ้นคอช้างตัวประเสริฐวันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าในการก่อนพวกคนม้าย่อมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารผู้เสด็จขึ้นหลังม้าตัวประเสริฐวันนี้ พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทกล่าวในการก่อนพวกคนรถจ้อมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารผู้เสด็จข right. ึ้นทรงรถอันประเสริฐวันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทกล่าว ในการก่อนพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารราชบุรุษเชิญเสด็จออกด้วยม้าทั้งหลายอันตกแต่งด้วยเครื่องทองวันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดกาสิกะสุจิวัฏทธธาราความว่า พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าอันขาวสะอาดอันเป็นของแคว้นกาสีคำว่าจันทสุริยาได้แก่พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารคำว่าสนานสะสมพระกายดีแล้วนหาประกะสุนหาตาความว่าชื่อว่าสนานสะสมพระกายดีเพราะไล่ทาด้วยจุนจันทร์ แล้วกระทำการประพรมด้วยเครื่องสนานทั้งหลายคำว่ายัตสุตัดคำเป็นเยอัตสุคำว่าอัดสุนี้เป็นเพียงนิบาทอธิบายว่าซึ่งพระกุมารเหล่าใดคำว่าในการก่อนปุเพได้แก่ในการก่อนแต่นี้คำว่าผู้เสด็จขึ้นคอช้างตัวประเสริฐหัตถิวระ ธุระคเตได้แก่ผู้เสด็จขึ้นสู่คอช้างเชื่อกประเสริฐคือผู้เสด็จขึ้นสู่คอช้างเชื่อกประเสริฐอันเขาประดับตกแต่งแล้วคําว่าผู้เสด็จขึ้นหลังม้าตัวประเสริฐอัสระธุระคเตได้แก่ผู้ประทับอยู่บนหลังม้าตัวประเสริฐคําว่าผู้เสด็จขึ้นทรงรถอันประเสริฐ รัฐวรธุระคเตได้แก่ผู้ประทับอยู่ท่ามกลางรถอันประเสริฐคำว่าเชิญเสด็จออกนียิงสุได้แก่ออกไปแล้วเมื่อหญิงเหล่านั้นปริเทวนาการอยู่อย่างนี้นั้นนั่นแหลราชบุรุษนำพระโพธิสัตว์ออกจากพระนครในการนั้นทั่วพระนครก็ปั่นป่วนขึ้น ชาวพระนครปรารพเพื่อจะออกจากพระนครเมื่อมหาชนกำลังออกไปประตูทั้งหลายไม่เพียงพอครามเห็นคนมากเกินไปจึงคิดว่าใครจะรู้ว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นก็สั่งให้ปิดประตูพระนครเสียมหาชนเมื่อออกไปไม่ได้ก็พากันร้องอื้ออึงอยู่ใกล้ๆสวนแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ริมประตูภายในพระนคร พวงนกทั้งหลายพากันแตกตื่นด้วยเสียงอื้ออึงนั้นก็บินขึ้นสู่อากาศมหาชนเรียกนกนั้นๆแล้วพร่ำเพอกล่าวว่านกเอ๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศปุรภาแห่งปุกภาวดีนครณนะที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายันด้วยพระราชโอรสสี่พระองค์ นกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุบพาวดีนครณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายัญด้วยพระราชธิดาสีพระองค์นกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุบพาวดีนคร ณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายัญด้วยพระมเหสีสี่พระองค์นกเอย๋ยถ้าเจ้าปราถนาเนือ้อเจ้าจงบินไปทางทิศปุรผาแห่งปุกภาวดีนครณนะที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายัญด้วยครือบดีสี่คน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 นกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุปภาวดีนครณนะที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลจะทรงบูชายันด้วยโคอุสภราชสี่ตัวนกเอย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อเจ้าจงบินไปทางทิศบุรพาแห่งปุปภาวดีนคร ณที่นั้นพระเจ้าเอกราษผู้หลงไหลจะทรงบูชายันด้วยสัตว์ทั้งปวงอย่างละสี่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเจ้าปรารถนาเนื้อมังสะมิ ช, ชสิความว่านกผู้เจริญเ อ, อย๋ยถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อข้อว่าจงบินไปทางทิศบุรภาแห่งปุบพาวดีนครอุยสุปุเพนะปุบพวติยา ความว่าเจ้าจงบินไปในที่ซึ่งมีการวงล้อมเพื่อการบูชายันทางทิศบุรพาคือทิศตะวันออกแห่งปุบพาวดีนครคำว่าณนะที่นั้นจะทรงบูชายันยะชะเตถะความว่าในที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้หลงไหลพระองค์ทรงเชื่อถ้อยคาของกันฑหาละพรามจะบูชายันด้วยพระราชโอรสสี่พระองค์ แม้ในคาถาที่เหลือก็พึงทราบโดยในนี้เหมือนกันมหาชนพากันคร่ำครวญในที่นั้นด้วยอาการอย่างนี้จึงไปยังสถานที่อยู่ของพระโพธิสัตว์เมื่อกระทำประทักษิณปราศาทแลเห็นพระตาหนักชั้นในเรือนยอดและสถานที่ต่างๆมีพระอุทยานเป็นต้นจึงกล่าวคร่ำครวญอยู่ด้วยคาถาว่า นี้ปราสาทของพระองค์ท่านนี้พระตำหนักชั้ น, นไหนอันน่ารื่นรมยิ่งนัก Go, บัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่านี้เรือนยอดของพระองค์ท่านล้วนแล้วด้วยทองคำเกลื่อนกลนด้วยพวงมาลัยบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่านี้พระอุทยานของพระองค์ท่าน มีดอกไม้บานสพรั่งตลอดกาลทั้งปวงน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่านี้ปา่าอโศกของพระองค์ท่านมีดอกบานสพรั่งตลอดกาลทั้งปวงน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่า นี้ป่ากันิกาของพระองค์ท่านมีดอกบานสพรั่งตลอดการทั้งปวงน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่านี้ป่าแครฝอยของพระองค์ท่านมีดอกบานสพรั่งตลอดการทั้งปวงน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่า นี้สวนมะม่วงของพระองค์ท่านมีดอกบานสะพรั่งตลอดการทั้งปวงน่ารื่นรมใจบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่านี้สระโบกครรณีของพระองค์ท่านได้ระดาบไปด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวมีเรือทองอัน ง, งดงามวิจิตด้วยลายเครือวันเป็นที่รื่นรมเป็นอันดี บัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าบัดนี้นั้นเตทานิความว่าบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่เหล่านั้นของพวกเรามีพระจันท ก, กุมารเป็นหัวหน้าและทิ้งปราสาสเห็นปานี้ถูกนําไปเพื่อจะฆ่าคําว่าเรือทองอัน ง, งดงาม โสวันนะวิกตาได้แก่ขจิต ด, ด้วยทองคำคนทั้งหลายพร่ำเพ้อในที่มีประมาณเท่านี้จึงพากันไปสู่โรงช้างเป็นต้นอีกแล้วกล่าวว่านี้ช้างแก้วของพระองค์ท่านชื่อเอราวันเป็นช้างงามมีกำลังบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า ม้าแก้วของพระองค์ท่านเป็นม้ามีกรีบไม่แตกเป็นม้าวิ่งได้เร็วบัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่านี้รถม้าของพระองค์ท่านมีเสียงไพเราะเหมือนนกสาลิกาเป็นรถงดงามวิจิตด้วยแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถนี้ย่อมงดงามดังเทพพระเจ้าในนันทนวัน บัดนี้พระลูกเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นถูกเขานาไปเพื่อจะฆ่าอย่างไรพระราชาผู้หลงไหลจึงจกทรงบูชายันด้วยพระราชโอรสสี่พระองค์ผู้งามเสมอด้วยทองคำมีพระกายไหลทาด้วยจุนแก่นจันทร์อย่างไรพระราชาผู้หลงไหลจึงจกทรงบูชายันด้วยพระราชธิดาสี่พระองค์ ผู้งามเสมอด้วยทองคํามีประกายไหทาด้วยจุลแก่นจันทร์อย่างไรพระราชาผู้หลงไหลจึงจกทรงบูชายัญด้วยพระมเหสีสี่พระองค์ผู้งามเสมอด้วยทองคํามีประกายไหทาด้วยจุลแก่นจันทร์อย่างไรพระราชาผู้หลงไหลจึงจกทรงบูชายัญด้วยคฤหาบดีสี่คน ผู้งามเสมอด้วยทองคามีร่างกายไหลาทาด้วยจุนแก่นจันร์ความนิคมทั้งหลายจะว่างเปล่าไม่มีมนุษย์กลายเป็นป่าใหญ่ไปฉันใดเมื่อพระราชารับสั่งให้เอาพระจันทกุมารและสุริยกุมารบูชายันพระนครปุกพวดีก็จักร้างว่างเปล่าไม่มีมนุษย์กลายเป็นป่าใหญ่ไปฉันนั้น บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าชื่อเอราวันเอราวะโนนี้เป็นชื่อของช้างนั้นข้อว่ามีกีบไม่แตกเอกะขุโรได้แก่มีกีบไม่แยกคําว่ามีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกาสาลิยาวิยะนิคโคโซความว่าในเวลาไปประกอบด้วยเสียงกังวานไพเราะ ดุดเสียงกังวานแห่งนกสาลิกาทั้งหลายคำว่าอย่างไรผู้งามเสมอด้วยทองคำกถันนามะสามะสมะสุนทเรหิความว่ามีผิวเหลืองดังทองคำเสมอกันและกันโดยกำเนิดชื่อว่างามเพราะปราศจากโทษคำว่ามีพระกายไลถาด้วยจุนแก่นจันจันทนมรุ ก, กะคัตเตหิ ได้แก่มีอวัยวะไหล่ทาด้วยจันแดงคำว่าป่าใหญ่พระหารัญญาความว่าคามและนิคมเหล่านั้นว่างไม่มีมนุษย์กลายเป็นป่าใหญ่ชันใดเมื่อพระราชาทรงบูชายันด้วยพระราชโอรสทั้งหลายแม้พระนครปบเผาวดีก็จักร้างว่างเปล่าเป็นเสมือนป่าไปชันนั้น